บทภาชณีติกาปาจิตตีสามร้อยหรับนิมนต์ไว้แล้วภิกษุสําคัญว่ารับนิมนต์ไว้แล้วไม่บอกลาภิกษทุที่มีอยู่เที่ยวสันจรไปในตระกลูลทั้งหลายก่อนเวลาฉันพระทหารหรือหลังเวลาฉันพระทหารนอกสมัยต้องอบัตปาจิตตีรับนิมนต์ไว้แล้วภิกษุไม่แน่ใจไม่บอกลาภิกษทุที่มีอยู่เที่ยวสันจรไปในตระกูลทั้งหลายก่อนเวลาฉันพระทหารหรือหลังเวลาฉันพระทหาร นอกสมัยต้องอบัติปาจิตตีรับนิมนต์ไว้แล้วภิกษุสําคัญว่าไม่ได้รับนิมนต์ไว้ไม่บอกลาภิกษุที่มีอยู่เที่ยวสัญจรไปในตระกูลทั้งหลายก่อนเวลาฉันพัตาหารหรือหลังเวลาฉันพัตาหารนอกสมัยต้องอบัติปาจิตตีทุกทุกกฎไม่ได้รับนิมนต์ไว้ภิกษุสําคัญว่ารับนิมนต์ไว้ต้องอบัติทุกกฎไม่ได้รับนิมนต์ไว้ภิกษุไม่แน่ใจต้องอบัติทุกกฎ ไม่ได้รับนิมนต์ไว้พิกสูตสำคัญว่าไม่ได้รับนิมนต์ไว้ไม่ต้องอบัต